ถ้าเรามีมุมมองในการที่จะเรียนรู้มันนะจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเป็นมารอ๋อมันแสดงตัวให้ว่าจิตมันทํางานอย่างนี้อ๋อมันแสดงตัวให้ว่าจิตมันทํางานอย่างนี้แต่ถ้าเราต้องการจะสงบอยากจะดีจะรู้สึกว่ามันตัวขัดขวางและจะรู้สึกว่ามันเป็นมารจริงๆแล้วพอมันเป็นมารนะเรากรอดมันนะเสร็จมันเสร็จมันเราก็ พอกิเลสกลายเป็นกิเลสสมานมานไม่ได้มาจากไหนเลยเราสร้างเองแปลกไหมมานสี่ตัวแรกเนี่ยนะสร้างเองกิเลสสมานมาจากไหนจากใจใจคนอื่นเป็นกิเลสสมานของเราไหมไม่ใช่คนนู้นมีกิเลสเราจะมีกิเลส ด, ด้วยได้ไหมก็ได้นะแต่เขามีแล้วเรามีตอบเนี่ยคือเราสร้างเอง คนทั่วโลกเนะี่ยมีกิเลสหมดพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสจะไปใส่กิเลสให้พระพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้กิเลสก็อยู่ที่จิตคนนั้นเพราะฉะนั้นกิเลสมานตัวเนี้ยสร้างเองมารตัวแรกสร้างเองขันธมานใครสร้างก็ไอเรานี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใครสร้า ง, รรางไม่มีใครสร้างมาจากจิตโงงๆมาจากจิตงงๆอภิสังขารมานใครสร้าง ไอจิตนี่เองแสดงว่ามารทั้งหลายเนี่ยเราเราเนี่ยพยามารบ้างนางมารร้ายบ้างที่ดามารบ้างพวกเราเนี่ยเป็นมารกันแหละและไอที่จะตายเนี่ยใครตายเราตายก็ไอเราเนี่ยแหละนะเราเกิดมาแล้วเราก็รอที่จะตายก็เราเนี่แหละ